และสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีศูนย์รังสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิเ่มเติม0ูนย์สอง3้สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิทธตโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี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 ควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์อุ่นกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฆษณาวราร์รตี้ค่ะ โอกาสเป็นประจําแบบนี้ทุกสัปดาห์ทางสถานีวิทยุราชมงคลทัญบุรี fm 8 9 5ค่ะแล้วก็พบกับเราสองคนนะคะที่จะสรรหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในยามค่ําคืนแบบนี้ค่ะอาจจะนัดวิพากค่ะอาจารย์รัติการค่ะเราทั้งสองคนมาจากสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะดิฉันวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดกันคุณ ดูละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวไหมค่ะในรอบนี้นะคะก็ได้น้องเ อ, อน้องเฟินน้องใบเฟินมารับบทเป็นสาวประเภท2ทั้งนี้เขาเป็นผู้หญิงนี่แหละค่ะทีนี้หัวข้อในวันนี้ของเราเราก็เลยอยากจะพูดเรื่องออสาวประเภทสองและเพศทางเลือกอื่นๆ นี่เป็นกำลังเป็นกระแสะโลกมากเลยนะค ะ, ะโดยเฉพาะเรื่องของ L G B T และ Q Q ใช่ค่ะแมวันนี้เราจะให้ความรู้กับคุณผู้ฟังว่าคืออะไรว่าคืออะไรนะค ะ, ะเห็นเขาพูดกันเยอะมากาแต่และคำคือเป็นคำเป็นคย่อใช่ไหมเป็นตัวอักษรตัวแรกที่เอามารวมกันก็เลยเรียกว่า L G B T แล้วก็เดี๋ยวนี้มี Q ด้วยค่ ะ, ะ L หมายถึง l e s b บี n ยนนะคะ G หมายถึงเก B ก็คือ b บ s e x u a l แล้วก็ T คือ Transgender แล้วก็สุดท้ายคือ Queer ะคะิดตัวคิวใช่เลสเบียนอย่างที่เราเคยทราบกันมาแล้วนะคะอย่างเช่นผู้หญิงรักผู้หญิงก็จะเป็นเลสเบียนเมื่อก่อนมันจะมีทอมมีดี้ตอนนี้เขาโอ้ยเปิดกว้างมากนะคะคําว่าเลสเบียนนี่อาจจะหมายถึงผู้หญิงกับผู้หญิงเหมือนกันก็ได้หรือผู้หญิงสวยเหมือนกันอะไรแบบนี้คะ่ะเนื่องจากว่าโลกเราในปัจจุบันนี้เขาบอกเลยว่าทุกคนเท่าเทียมกันแล้วมีสิทธิจะเป็นอะไรก็ได้ คือเรามีสิทธิ์เลือกของเราเองเราเลือกอะไรก็ก็ไม่ผิดนะอดิฉันว่าสังคมสมัยเนี้เปิดกว้างกว่าเมื่อก่อนเยอะมากใช่และโดยเฉพาะสังคมไทยเราสังคมไทยเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีทั้งหนังมีทั้งละครที่พูดถึงเรื่องเพศที่สามหรือเพศอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะเพศหญิงเพศชายเยอะมากแล้วบ้านเราเนี่ยค่ะยอมรับในเรื่องเพศเนี่ยจะว่าไปแล้วมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเราเราเราสามารถอยู่ร่วมกันกับ เพศที่สามหรือเพศที่เขาแบบไม่อยากจะเป็นผู้หญิงและไม่อยากจะเป็นผู้ชายได้แบบนี้ค่ะเราก็มองเขาเป็นแบบเหมือนเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขที่สุดอันนี้ก็ต้อง เ, ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบคุณในในสังคมเราเหมือนกันเราเป็นสังคมที่โอเพ่นอยู่นะเปิดกว้างแล้วก็นี่รู้สึกเหมือนกันนะว่าบางคนเนี่ย คือคือที่เขาต้องเป็นแบบนี้คืออาจจะไม่ได้เป็นตามตา ม, ตามเพศที่ที่ปรากฏนะตามตามถ้าภาษาอังกฤษก็คือตามเซ็กอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตามเจนเดอร์คือสิ่งที่เขาเลือกเนี่ย ม, มันอาจจะเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของฮอร์โมนอะไรแบบนี้ในร่างกายด้วยนะคือ<ช>คือบางคนนะีที่เราเห็นนะโอ้ยคือเกิดมาเป็นแบบเป็นผู้ชายแต่ว่าผิวพันธ์ดีไปไปม า, ม า, มาผิวดีกว่าเราอีกหนะ้าสวยเลย เหมือนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวจะอธิบายแล้วก็ขออนุญาตแบบยกตัวอย่างด้วยเลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเลสเบี้ยนเวลวต่อมาพูดถึงเรื่องเกย์เกย์ที่คนส่วนใหญ่แล้วก็จะจะนึกถึงผู้ชายกับผู้ชายบางทีผู้ชายหน้าตาดีกับผู้ชายหน้าตาดีแต่งงานกันอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าเกย์อันนี้ขอขออนุญาตใช้ LGBTQ แบบฝรั่งซึ่งแบบไทยจะโอ้เยอะแยะมีม<า>ควา ม, มาหลากนนหลายใช่ค่ะต่อมาก็คือตัว B ก็คือไบ sexual นะคะ Bisexual แล้วก็แบบได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้โอเคยังไงก็ได้ต่อมานะคะก็จะเป็น Transgender ก็คือเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจากจากจากมีสัญยกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องจากเพศหนึ่งไปเพศหนึ่งอาจจะหญิงชายชายหญิงแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันเนี้ยตัวอย่างที่เห็นในชั้นมากที่สุดก็คือการที่เปลี่ยน เพศไปเลยก็มีนะคะแล้วก็พูดถึงฮอร์โมนเมื่อสักครู่ที่ฉันขอย้อนกลับไปนึกถึงคุณปอยตีชดา mm hmm. เขาบอกเลยว่าตั้งแต่เด็กเลยเขาเกิดมาเขาก็เป็นผู้หญิงเพียงแต่ว่าเพศที่ปรากฏออกมาะกะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็เลยเอ๊ะทำไมเขารู้สึกเป็นผู้หญิงอยู่ตลอดเวลาผิวพรรณรูปร่างหน้าตาโครงหน้า ผมออจจเล็บมือแบบเล็บเท้าไปหมดเลย<ช>จริงเขาเกิดมาเป็นผู้หญิงอาจจะมีเสียงที่อาจจะยังแบบยังยังแบบไม่ได้เหมือนผู้หญิงมากแต่ว่า<ช>อย่างอื่นอะใชค่คือคืองดงามเลยแหละใช่ก็คือแบบว่าอายค่ะว่าอ <laughs> <laughs> าโอ้ตายแล้วน้องปอยทําไมสวยแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกอันนึ่งก็คือตัวคิวก็คือเคลียร์เคลียร์ก็คืออะไรก็ได้ <laughs> หลากหลายเปิดเต็มที่เลยคุณอยากจะ คือจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็มีนะคะอย่างเช่นผู้ชายแปลงเพศแล้วเป็น transgender ไปเป็นผู้หญิงแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นทอมคือขอเป็นทอมบ <tomb oy S 1> อยขอเป็นทอมบอย การใช่คนหาตัวเองอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มีกรณีศึกษาเกิดขึ้นแล้วด้วยว่าเอ้ยตอนนั้นเขาเป็นเขาอยากเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ผ่าตัดแปลงเพศเสร็จปุ๊บเขาก็เป็นนางงามด้วยและสุดท้ายมาเขาก็ย้อนกลับมาบอกว่าเฮ้ยฉันขอธรรมะแมงแบบทอมบอยได้ไหมตัดผมสั้นอีกอันนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นสิทธิ์ของฉันที่ฉันจะเลือกเป็นอะไ ร, ะไรก็ได้อยากทําอะไรก็ได้ซึ่งฉัน เห็นด้วยนะคะกับเรื่องนี้เพราะว่าคนเราเราบังคับไม่ได้หรอกว่าเราอยากเป็นอะไรหรือเกิดมาแล้วควรควรมีสิทธิเเเ์เลือกเองที่เลือกเองเดี๋ยวโตวมาเลือกเองไม่เป็นไรไป เ, เลือกอะไรก็ไม่ผิดนะใช่แล้วก็อันนี้เนี่ย ส่วนหนึ่งนะในในแบบสมัยก่อนเนาะเราก็เคยเห็นพวกแบบละครละครนะที่เข า, เอาชอบจะมีเพศทางเลือกเนี่ยแหะค่ะมาเป็นตัวแสดงมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาแบบมีคนศึกษาว่าจริงๆแล้วเพศทางเลือกที่เข้ามาแสดงหรือว่ามีบทบาทเป็นตัวละครเนี่ยมักจะเป็นตัวละครที่ทําให้ถูกทําให้เป็นสีสันนะของของละครเรื่องนั้นหรือว่าอาจจะเป็นพวกซิทคอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะจริงๆบางทีมันก็เหมือนกับว่าเป็นการ เขาเรียกว่าเป็นเป็นการตีตราบางอยา่างเป็นสเตอเรอติปแบางอย่างนะ <ứng S 2> จริ ง, รงๆแล้วบางคนก็ไม่ชอบนะคน <ứng S 2> <ๆ S 1> ที่เป็นที่เป็นแคลรแบบเนี้ยเขาก็ไม่ชอบให้ <ứng S 1> ให้แบบเฮ้ยถ้าเห็นเขาแล้วเขาไม่ได้ใช่ตัวตลกแบบที่ในละครเป็นนะ <ๆ S 1> เขาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วนะก็มีนะคือจากเพศหนึ่งแล้วเขาก็กลายเป็นผู้หญิงแล้วแล้วเป็นผู้หญิงเรียบร้อยด้วยแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะเป็นตัวตล ก, ตลกใชออ่อันนี้ก็ต้อง ก็เป็นกรณีที่น่าศึกษาเหมือนกันนะคะแล้วก็ก็ต้องวิเคราะห์กันนะนะว่าอ๋อเนี่ยการที่เขาไม่ได้เป็นเพศตามที่สภาพเขาเป็นอยู่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาอยากเป็นคนไม่ดีหรืออยากจะเป็นอะไรแบบนี้นะคะค่ะก็พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องการตลาดเกี่ยวกับ LGBT กันค่ะรายการโฆษณาวารดีดสร้างสารรค์และผลิตรายการโดย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 กลับมาช่วงที่2ของรายการโฆษณาวารรตี example, ้ค่ะวันนี้เราอยู่กับประเด็นเรื่อง LGBT และ Q นะคะก็เป็นกลุ่มเพศทางเลือกนะคะทีนี้อยากจะให้ความรู้กับคุณผู้ฟังเรื่องของการตลาดนิดนึงนะคะเวลาที่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งจะออกสู่ตลาดบางทีเขาก็แยกเป็นของเพศหญิงเพศชายของเด็กอ่อนของอ่อนสำหรับผู้ชายโรอนสาหรับผู้หญิง เยอะแยะไปหมดเลยเราฉันจะซื้อของใครดีใช่ค่ะตอนนี้ค่ะอันนี้ข้อมูลจาก marketing o o p s com นะคะเขาให้ความรู้ว่าการตลาดทุกวันนี้เนี่ยค่ะเออถ้าจะแบ่งเซ gment หรือแบ่งประเภทจริงๆเนี่ยค่ะลงลึกไปแล้วจริงๆเนี่ยเออ มันจะต้องแบบเจาะเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่เริ่มมีตัวตนชัดเจนมากที่สุดก็คือกลุ่ม LGBT แบบที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเนื่องจากว่าผลสํารวจกลุ่มผู้บริโภค l GBT และ Q มีการใช้จ่ายในระดับสูงเพราะไม่มีภาระแปลว่าอย่างเช่นผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายไม่มีลูกคือ คือจะเป็นส่วนน้อยที่เขาแบบขอลูกมาเลี้ยงหรือทำเด็กหลอดแก้วหรืออุ้มบุ ญ, บญทำอะไรแบบนี้นะคะและเขาบอกว่าพร้อมจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานมากกว่าผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิงและเพศชายเพราะฉะนั้นกลุ่มแบบอุ๊ยกลุ่มการตลาดที่เขาเจาะตลาดกลุ่มนี้เลยตรงคำว่าใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานนี่แหละค่ะเป็น โอกาสทางการตลาดเลยนะค่ะเขาเรียกทฤษดีนี้ว่าทฤษดีพิง k m o น e y บางครั้งก็อาจจะเรียกว่า Pink Economy หรือพิ k ด o ลล a r เพราะว่าจับจ่ายได้คือมีเงินใช้จ่ายไ<อ>ด้พร้อมจ่ายเขาบอกว่ามันหมายถึงพลังในการจับจ่ายของชุมชนเพศทางเลือกนะคะโดยในแบบว่าพิงพิงเนเนี่ยค่ะ โดยเฉพาะคนที <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh ่ให้สนใจในกลุ่มทฤษฎีนี้ก็คือธุรกิจเรื่องอาหารผับไนท์คลับโรงแรมรวมถึงสินค้าบริการด้านความบันเทิงต่างๆนะคะเขาก็บอกว่าจากการสำรวจพบว่าในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยมีการใช้จ่ายของกลุ่มนี้มากกว่า 79,000 ล้านดอลล่ย คุณไม่ถูกพูดถึงเรื่องแบบว่าพวกร้านอาหารอย่างนี้นึกขึ้นได้ว่าสมัยตอนที่แบบเเคยเคยไปทำวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องเครียร์นี่แหละคะ่ะเราก็เมื่อสมัยก่อนคุณที่ดูเมื่อสมัยประมาณแบบ10กว่าปีที่แลว้วอะเกือบสิปีที่แลวว้วอะมันมีมันเริ่มมีเป็นแบบผับสําหรับกลุ่มคนกลุ่มนี้เลยนะคือเฉพาะเลยว่าคนที่เข้าได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นแบบเป็นทอมเป็นดี้เท่านั้นนะพูดเป็นพื้นที่ ที่ผู้ชายห้ามเข้าเขามีการตรวจเลยนะตรวจบัตรประชาชนตรวจแบบว่าสแกนเลยว่าแบบผู้ชายห้ามเข้าพื้นที่นี้แล้วเข้าไปเนี่ยในพื้นที่วงดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นผู้หญิง<ๆ>เป็นผู้หญิงหรือเป็นทอมอะไรแบบนี้ค่ะก็คือในพื้นที่ของมันเป็นพื้นที่ของเขาอะ <s> ใช่ก็จริงๆเราคิดว่าสมัยก่อนอาจจะต้องแบบยัง10ปีที่แล้วเนาะยังต้องปกปิดอะไรบางอย่างอยู่สําหรับบางบางคนที่ทางบ้านอาจจะยังไม่ยอมรับหรืออะไร เขาไม่มีพื้นที่ไงมันไม่สามารถพูดได้หรือแสดงออกได้ในพื้นที่สาธารณะเขาจึงจําเป็นต้องมีพื้นที่ของเขาหรือผับบางผับก็ให้เข้าเฉพาะผู้ชายและเกย์เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาใช่แต่ตอนนี้คือแบบโอเคทุกคนยอมรับนะคะแล้วเราก็เห็นแบบผู้มีชื่อเสียงนะดาราซิลิบิที่เซเลบบางคนเนี่ยเขาเป็นเขาก็เปิดเผยตัวไงมันก็เลยเหมือนแบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้มัน มันไม่ใช่เรื่องแบบผิดปกตินะคือมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยค่ะคนเป็นเกย์หรือคนที่มีพฤติกรรมผู้ชายรับผู้ชายเนี่ยค่ะเขาอาจจะแต่งงานกับผู้หญิงก็ได้นะ uh. คือมันเปิดกว้างมากก็ในหลายประเทศไงเขาอนุญาตแล้วคือคือคือแต่งงานกับผู้หญิงแต่มีเพื่อนเป็นผู้ชายด้วยแบบนี้ค่ะดิฉันว่าต่อไปในอนาคต จะมีโอกาสแบบนี้มากเนื่องจากว่า้ผู้หญิงเขาก็มองผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนคนนึงแต่เป็นพ่อของลูกเขาด้วยแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็ดูแลผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะมีะเพื่อนที่เป็นผู้ชายมีแฟนใหม่หรืออะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งจะเป็นกันเยอะอันนี้ขอให้ข้อมูลของประเทศอังกฤษนะคะเมื่อกี้อเมริมกานะคะมีการใช้ศัพท์คําว่าพิงพาวหรือว่าพิงปอ Power, นนะคะเงินปอนเนี่ยใช่คาดว่า จะมีมูลค่าถึง 6,000 ล้านปอนด์ต่อปีมีการจัดสัมมน า, าการตลาดพิง Power Conference ในลอนดอนแสดงว่านี่ต้องถือว่าเป็นผู้บริโภคเป็นตลาดกลุ่มใหญ่ใช่แล้วเขาบอกว่าจนเริ่มมีบริการเฉพาะทางเกิดขึ้นเช่นบริการจัการจัดแต่งงานสื่อวิทยุและโทรทัศน์ แล้วก็ในขณะที่อเมริกาที่เรียกว่าพิ k ด o l l a r นะคะมีการสำรวจว่าประชากรเพศทางเลือกมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีโดย28มีรายได้เฉลีย่ย 50,000 ดอลลาร์ต่อปี 50,000 นี่นะคะคูณเข้าไป32อะคะ่ะคือแบบถือว่าเป็นชนชั้นแบบกลางค่อนสูงหรือทีเดียวเพราะว่าบุคคลบุคคลที่จะมีลักษณะแบบนี้เขาจะมีลักษณะครีเอทีฟมากท ใ, ในทางโฆษณามีมีความคิดที่ สามารถผู้หญิงผู้ชายอยู่ในตัวเองแล้วเขาจะได้เปรียบมุมอะไรอย่างนี้ด้วยกันแล้วแล้วเขาจะได้เปรียบคนแบบอย่างพวกเราเป็นผู้หญิงอย่างเดียวแล้วเราก็จะมีก็มองในมุมของผู้หญิงไงใช่ก็ผู้หญิงดราม่ามีมุมเดียวในขณะที่ผู้ชายเขาก็จะมีมุมแข็งๆบางอ่อนอ่ะแล้วแต่อ่อนโยนอะไรอย่างนี้ยแต่ลักษณะแบบนี้อย่างเพื่อนเราเพื่อนเราก็เป็นคือดิฉันก็เอเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นผู้ชายแต่เป็นมี เป็นเกย์อะเอาจริงแล้วเวลาที่ฉันไปชอปปิ้งกับเขาหรือไปซื้อของของฉันที่ฉันมีความสุขมากหนึ่งเขาไม่รําคาญผู้หญิงอย่างดิฉันเอาเลยเต็มที่ถึงเวลากินข้าวกินได้หมดคือแบบคืออย่างเงี้ยค่ะเขามีทั้งความเข้าใจในตัวผู้หญิงแล้วก็เข้าใจในตัวผู้ชายก็ดีนะ หมดได้เพื่อนแบบมาสองคนใช่จริงๆอันนี้อันนี้คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเลยค่ะแล้วก็เวลาที่ทานขนมหวานทานได้ไหมก็ทานได้เขาไม่กลัวอ้วนไม่กลัวอ้วนบางคนอาจจะแบบไม่กลัวอ้ไม่เอาหรือถ้าไปเพื่อนกับเพื่อนผู้ชายคุณคิดว่าไปชอปปิ้งด้วยกันได้ไหมล่ะคิดว่ารอไม่ได้ไม่รอจริงๆริงไม่ไม่รอจริงๆเพราะโดยลักษณะของผู้ชายคือเขามีเป้าแล้วเขาก็เดินซื้อเราตั้งคนต่อไปเลยนะะ มีเป้าส่วนซึ่งเกงเขาก็เดินไปที่ร้านเกงเลยในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยมันจะแวะตลอดทางเอ้าเดี๋ยวกินขนมก่อนเดี๋ยวไปซื้อกาแฟซื้อกาแฟเสร็จปุ๊บหิวกินกว่าจะได้ของสามทุมแล้วอะไรเงี้ยแต่เพื่อนแบบนี้เขาจะเข้าใจเราแม้ว่าเขาจะไม่เดินไปกับเราอย่างเช่นบางทีเราลองเสื้อผ้าเขาไม่มาลองกับเราด้วแต่เราถ้าเราอยากได้ความเห็นเขาก็พร้อมจะมาพร้อมจะมาแล้วสวยไหมใช่แล้วก็นั่ง เอาเลยตามสบายนั่งเล่นมือถือเราแบบเนี้ค่ะคือดิฉันมีความสุขมากจริงๆหรือว mm hmm. ่าจะเป็นผู้ชายนี่คิดว่ามีทะเลาะ ก, กันผู้ชายนี่หมายถึงว่าถ้าเป็นแฟนเราใช่ทะเลาะ ก, กันแน่คือ <laughs> <c oughs> คุณเคยเห็นไหมบางคนะแม่บ้าน่ที่ต้องเลี้ยงลูกแล้วก็บทิ้งสามีกับลูกไว้ที่บ้านแล้วก็ต้องรีบซื้อของลกูลกๆๆอะ่ะเออเห็นไหมแบบอถ้าเรามีเพื่อนเป็นแบบเนี้ย <laughs> เพื่อนจะเข้าใจเรา <laughs> จะเข้าใจะะเราก็ดีนะ ยันหนึงบอกว่าแบบจริงๆแล้วชอบว่าสังคมเราเป็นสังคมที่อย่างน้อยก็เปิดเปิดรับอะไรใหม่ๆเนาะแม้ว่ามันยังยังไม่เปิดร้อเซก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่เปิดเลยนะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าบางประเทศเนี่ยไม่เปิดเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบต้องห้ามอะไรแบบเนี้ยพิษมห้ประเทศไทยของเราจริงๆแล้วแบบดีนะ ฉันดีที่สุด <laughs> ดีที่สุด <laughs> เขาไม่เคยไปอยู่ประเทศอื่นใช่ไม่เคยอยู่ประเทศอื่นเลยเไม่รู้รว่าจะเปรียบเทียบยังไงแต่เรื่องเพศนี่แบบเอ้ยเราก็ไม่น้อยหน้าใครนะที่ฉันก็อ่านหนังสือมาเยอะนะก็คือมันมันอิสร ะ, ละแล้วเรายอมรับกันได้เหมือนทีฉันมีเพื่อนแบบเนี้ยเยอะมากบอกเลยคือแบบเขาเข้าใจเราม า, มากแล้วเขาก็เป็นคนคนที่ดีมากสําหรับเรา เขาเล่นก็พอแล้วหรือเปล่าจบเขาจะเป็นอะไรก็กเรื่องงานเขากับเขาดีเขาเป็นคนดีแหละคือเนื้อหุ้งเขาเออใช่เขาคือไม่ได้ทําร้ายใครนะไม่ได้ทําร้ายใครแล้วก็โอ้ยชวนทําบุญก็ไปอะไรอย่างเงี้ยชอบไปนกไปปลาเงี้ยโอ้คือจิตใจเขาดีเพราะฉะนั้นก็เออจะเป็นเพศอะไรหรือจะมีรถนิยมทางเพศยังไงก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลดิฉันก็ชอบเมืองไทยตรงนี้แหละค่ะก็ดีใจที่ได้อยู่เมืองไทยนะคะก็ อ่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราทั้งสองคนหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการโฆษณาวารตีสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี